อ๋ออ่านก็ชอบทำะณรก็ได้ใช่ใช่ใช่ช่เลยไม่ใชางนี้ฉกินอะไรก็เอาเลยเรีบแล้วกันจอยู่บ้านตัดหลายปีลแล้วก็เกือบเก้าปีแปดปีครึ่งประมาณเก้าพสามเดียวค่ะัาอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมเดียวค่ะเปิดแล้วใช่ปะ เดือดหันไมโครโฟนนะไมโครโฟนลุงนิเดือดแล้วลุงตาก็เคยมาพักที่นี่อ่ะเดอดเคยมาครั้งหนึ่งแต่นานแล้ววันนั้นหลวงตาท่านเคยมาพักปฏิบัติอยู่ที่แถวพัทยาอืสวนปฏิบัติกรรมฐานวัดช่องลมแล้ววันนั้นหลวงตาท่าน เพงะนั้นท่านหัวใจท่านไม่คดีเพงนั้นหัวใจมันกำเริบตรงไหนรือเปลาานก็เลยแวะมาเพานั้นเราก็มามาพักแรมอยู่บนศาลาเน้่ย mm hmm. ก็ไม่ได้บอกขครด้วย่ากแน่ปรมาเราเรช่วยท่นเฉยม้วนอะไรกวาท่าน mm hmm. ท่านหลกท่านยดินพักไปยู่ศาลาที่เราไปด้วยกันท่าน mm hmm. ก็ไม่ได้ไปยินบา้างเพราวันนั้นท่านดึก ไม่ฉันวันลุ่งขึ้นเนะี่ยไม่ฉันไม่ <Okay. S 1> ไม่มีใครรู้ว่าท่านมา ต, ตอนสายๆของวันลุ่ขึ้นก็มีมีญาติโ่มนะครั บ, บนะ <Okay. S 1> แต่ท่านก็คอยมาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มา oh. มามาช่วงกลนะางวันบทีถ้าท่านมาดูแทบมาผ่านมาอถือท่านจะย่ยม ตอนนี้หลวงตาท่านกลับไปบ้านสางแล้วเนี่ยดือนดูนอนแล้วพวงเราไปไปเป็นหลายนัดกันด้วยกันสองคนนีบ่อยมากค่ะบเฉลี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่บ่อยแย่นี้เฉลี่ยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่าอเงีนี่คืองานข้าวกันเดือนเดือนหน้านี้สิบเอ็ดสิบสองคุณพาก็ไปประจำอยู่หน้านี้ วันนี้เดี๋ยวไม่มีวาสนาด้วย่ะต้องไปทํางานนี่เขาไปทํางานที่อินโดนะคะอวลูกจับล็อกเจนนี่ล็กเจนนี่พูดถึงท่านการดิวะอแล้วเป็นไงเพราะติดต่อประสานงานอะไรกันไม่ทราบไปถึงไหนจริงๆแล้วเขาให้เออเกสารมากราบหลวงตาแต่เท่าที่ลูกฟังหลวงตาบอกว่าคงเมตตาทางเมืองไทยได้ประโยคน์มากกว่าที่หลวงตาพูดเจ้ามุกเจ้าฮะก็เลย แต่ทางอินโดเขาก็หวังรู้สึกเขาตั้งเป็นคอมมิตชีกับรูปแบบทํางานกันเป็นเรื่องปัญญาเแล้วเจ้าค่ะอืแต่รู้คิดว่าตรงไทยท่านคงไม่ร้องที่จะพลาดขันยังไม่ค่อยดีนะเขาท่านก็อายุมากแล้วเดินทางไกลๆก็สบายสบายเลยแล้วเจนนี่เขาเมื่อก่อนนี้เํามีน้องชายมา ม, มาบวชในยอยู่ที่วัดยาง ูีจากน้องชายเขาอ่แล้วน้องชายเขาก็ไปเล่าให้ให้ด้องชายเจมี่ฟังคนที่บอกว่าเป็นธุรกิจเรื่อมมาหย่อนหรือเป็ น, นาจังการไม่อีกคนคนที่อยู่แคนาดาคือเคนดี้เคนดี้เขาเขาได้ภรรยาที่แคนาดาเป็นแคนาเดียนเลยนะเนี่ยค่ะไม่ทราบตัวเขาเป็นตอระไรแต่ไม่เห็นว่าภรรยาเขาเป็นเราก็เลยย้ายไปอยู่ที่นั้นรู้จักนานแล้วรรติวดปรรีแล้ระร เขาก็มาอยู่เรื่อยๆช่วงหนังนี้ก็ปีหนึ่งจะมาสองครั้งช่วงเนี่ยช่วงเดือนมีนาแล้วก็ช่วงมาช่วงเดือนตอนออกพรรษาเขาเขานั่งสมาธิดีจช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามรายละเ อ, อียดแต่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะศึกษามาก จะรู้มากทางด้านการอ่านการอะไรแต่การปฏิบัติก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องคอยพยายามเตือนเขาอยู่เองคนที่เรียนรู้เก่งนี่มักแค่ไม่ค่อยภาวนาะคือจะใช้ปัญญาอย่างเดียวแต่จิตมันไม่สงบถ้าจิตมันไม่สงบแล้วมันปัญญามันก็เป็นปัญญาแบบเคื่องซางปัญญาแบบตับไม่ขาด คือรู้แต่รู้แล้วมันก็หลงอยู่กับความรู้เนะเพราะไม่รู้ว่าทำไปเพื่อตรงไหนไปให้ไปถึงจุดไหนแต่ถ้าคนภาวนาทำสมาธิได้แล้วจะรู้ว่าก็ทำไปเชื่อจุดนั้นอะเพียงแต่ว่าการทำสมาธินี่มันมันไม่อยู่จุดนั้นได้ไปตลอดเืออาพสมสงบ เช่นเรานั่งไว้กคำพูดโธพูดโธไ ป, ปติดสงบมันก็มีการสร็จมีการสบายแต่พอออกมาปั๊บมันก็คิดนู่คิดที่กลุ้มเรื่องนี้มันก็เอาเรื่องนีง้เรื่องนี้มาเผาหัวใจเรามันก็สกิดความนิ่งน้อยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ตัดมนอนเอาเรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็ตัดมันคือเราดูใจเราเป็นหลักถ้าใจเราร้องจบเรื่องอะไรก็แสดงว่ามันไม่ไถือแล้ เราัำคาญเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรแสดงว่าเราเราหลงเรารู้ไม่ทันถ้าเรารู้ทันเราก็ต้องดูแล้วใจเป็นโอเดตคาได้วางเฉยได้จะดีจะช่วยอย่างไรก็วางเฉยได้เนี่ยอันนี้ต้องอาศัยสัญญาถ้าถ้ายังทาให้เป็นนี่ถ้าถ้าว่าโกรแล้วเราก็เป็นพุทโทไป อันนั้นก็ใช้อุบายของสมาธิแต่มันไม่ได้แก้แบบถึงรากถึงโคนเพราะว่า mm hmm. ความโกรธนี่มันเกิดจากความหลงเราต้องเอาปัญญาคือความรู้เข้าไปแก้ถึงจะหายโกรธได้อย่างถาวร mm hmm. แต่ถ้าเราพูดโทพูดเถก็เหมือนเราเราเอาหินไปทับความโกรธนั้นไว้ความโกรธนั้นมันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้แต่มันไม่ได้ถูกทาลาย ด้วยการเอาเอ า, เอาบริกาทำบริกรรมนี่ไปไปกรบมันอพอเราเผลอหยุดบริกรรมปั๊บมันก็กลับไปคิดในเรื่องนั้นได้ก็เกิดความโกรขึ้มนมาได้อถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ไม่มีสาระอะไรเราไปหลงมันเองเราให้ความสําคัญกับมันเองทั้งทั้ง ท, งที่ความจริงแล้วมันไม่มีสาระอะไร วเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันไมมีสาระมันไม่เป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับแดดกับลมกับฝนนี้เราฝนตกเราไม่โกรธฝนไม่ไใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเราไปควบคุม บ, บังคับมันไม่ได้อย่างเนี้ยยกตัวอย่างเวลาเราพายเรือแล้วมีเรือรำหนึ่งคนพายเรือพายมาชนเรือเรานี่เราจะโกรธคนที่พายเรือหรือไนะโกรธนะ แต่ถ้าเกิดเรือมันลอยมันเฉยไม่มีคนภายแล้วก็ชนเหมือนกันนี่เราเราก็ไม่โกรธไอเรือหรอกนั่นเอยเพราะเรือไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้ามีคนพายอยู่มันมีตัวมีตนเราไปเห็นว่าไอคนพายมันมีตัวมีตนแล้วก็ไปโกรธไอคนนั้นก็แต่ถ้าเรารอให้คนภายตามเรือมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเราก็ไม่ไปโกรธมัน ถือว่ามันเป็นเรื่อสุดวิสัยเราไปจะไปบังคับควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราก็คุมได้ก็คือใจเราถ้าเรามีปัญญาล้วก็ก็ควบคุมไม่ให้มันไปโกรธเพราะความโกรดนี้มันร้อนมันทุกข์ความไม่โกรธเนี่ยสบายอย่างตอนนี้เราไม่โกรธใจเราสบาย ถ้าเกิดใครมาพูดไม่มาทําอะไรเราโกรธในใจเราจะเกิดความรู้น้อนขึ้นมาททถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่เห็นไฟของความโกิดที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธินี่มันจะมีความจัดจานกันเยอะใจที่มีสมาธิเหมือนใจอยู่ในห้องแอร์พอเจอความโกรธจะเหมือนออกมาจากห้องแอร์มันจะสัมผัสมันจะรู้ชัดทันที แต่ถ้าอยู่นอกห้องแอร์ตลอดเวลามันก็ไม่รู้ว่าความร้อนมันเป็นยังไงเพราะมันก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วงั้นคนที่ไม่มีสมาธิจะมักจะไม่ก้อยเห็นกิเลสเท่าไรจะไม่รู้ว่ากิเลสเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างไรเวลามันเกิดขึ้นก็หลงไปกับเรื่องราวที่ทําให้โกรธแทนที่จะเห็นตัวโกรธกลับไปเห็นเรื่องราวที่สร้างให้สร้างความโกรธ เช่นกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เลยไม่เห็นความโกรธที่มันเป็นตัวถักดันให้เราต้องไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นกับคนนั้นกับคนนี้แต่ถ้าเรามีมาาสมาธิมีความสงบเป็นพื้นาฐานของจิตอยู่แล้วพอมันเกิด่อความโกรธขึ้นมามันก็เหมือนมีไฟลุกขึ้นมาทันทีนเจ้ามันก็รีบแก้รีบดับตัวนี้ แทนที่จะไปหลงกับไอเหตุการณ์หรือคนที่สร้างให้เกิดความโกลนก็กลับมานะครับไอดับตัวนี้ด้วยการปล่อยวางเหตุการณ์นั้นเสียยอมจํานวนกับเหตุการณ์นั้นไปเขาจะว่าไงก็เขาก็ว่าไปนล้วก็ผ่านไปนะเราจะเสียอะไรมันก็เสียไปแล้วไม่ต้องมาเสียใจของชั้นเสียของแล้วก็พอแล้วไม่ต้องมาเสียใจ ถ้าคนมีปัญญาก็เสียเสียอย่างเดียวเสียของแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็เสียใจด้วยเพราะคนที่มีปัญญาต้องเตรียมตัวรับกับการสูญเสียอยู่เสมอไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่เดี๋ยวเครื่องนี่มันก็เสียได้มันก็พังได้ถูกขโมยไปก็ได้ลืมทิ้งไว้ที่ไหนคนอื่หยิบไป พอหายไปปับถ้ามีปัญญาก็จะรู้สึกว่ามันไปแล้วก็ใจก็ไม่วูบใจก็ไม่เสียใจแต่ถ้าไม่มีปัญญาเพราะหายไปใจจะวูบียังไงเลยเลดานี่เกิดความวุ่นวายพยายามจะติดตามหาแทนที่จะบอกว่าไปแล้วก็หมดภาระกันไปดีกลับไปจะได้ไม่ต้องไปมีมันไม่มีเราก็อยู่ได้ใช่ไหม สมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีของพวกนี้เลย <c oughs> ท่านยังตัดสรูได้เลย <c oughs> แล้วของพวกนี้มันจําเป็นกับการตัดสรูมากน้อยแค่ไหนใช่ไมไม่มันไม่มไมจําเป็นหรอกเพียงแต่ว่ามันเมื่อมันมีก็เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถําเพนแล้วก็จเจริญทำได้เหมือนกันแต่ใจของเรามันมักจะบอกเราเ ร, ารื่อยๆมีไอ้นั่นดีนะมีไอนี่นดีนะ ล้วไม่คำนึงถึงผลเสียที่มันมีตามมาด้วยคือความกังวลใจความวุ่นวายใจมีอะไรมันก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลามันหายไปเสียไปก็เสียใจถ้าไม่มีเลยมันก็สบายใจไม่ต้องเป็นภาระคับทางด้านจิตใจเพราะใจเนีย้ยิ่งปล่อย กดเครื่องได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งเบาขึ้นยิ่งสบายขึ้นยิ่งมีมากมันก็ยิ่งแบกมากแต่เราไม่เห็นกันหรอกเพราะว่าใจเราไม่เคยกดเครื่องมันด้วยสมาธิมาของพาจิตเรารวมลงเป็นอัปปนารวมลงเป็นแบบสุ ด, ส ด, ส ด, สดถึงฐานของมันมันไม่มีอะไรหรงเหลืออยู่เลยมันจะมีความรู้สึกเบาโล่งไปหมด มีความอิ่มมีความสุขมีความพรมีมใจเรามันจะรู้แล้วว่าอ๋อนั่นแหละนี่คือจุดที่เราต้องการที่จะไปหรืออยากจะรักษาให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเงแต่ว่าจุดนี้มันอยู่ได้ไม่นานจากการทําสมาธิแต่มันจะอยู่ได้นานเกิดจากการปัญญาเกิดจากปัญญาที่คอยหักห้ามใจไม่ให้เป็นแบบ ไปไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาแบบมาเป็นสมบัติของเรายิ่งมีมีสมบัติน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านไหมยังมีมากใช่หไหเจ็ดหมื่นสามพันล้านนี่มีความสุขที่ไหนมันก็แต่เรื่องของกิเลสมันก็หนักเท่าไหร่มันก็อยากมันก็ยอมแบบเพราะมันหลงพ ว, พวกบ้าหอบฟัง บางมันมีสาระมีคุณค่าที่ไหนแต่ขอให้แบกไว้ขอให้มีขนาดที่เอาเงินทองถ้ามันมีเกินความจําเป็นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราหรอกแต่ทําไมท่านคะอย่างคุณนักสิงเนี่ยเขาได้ขนาดเนี่ยแทนเขาต้องมีบุญเยอะมากมทำไมขนาดดวงตาสกิดเขาเองเขาไม่ทําไมไม่มีอะไรทําให้เขาดวงตาบุญมันมีหลายระดับเไยบุญบางอันนี้มีสิบระดับ ทางบาลมีสิงบาลมีนี่ขัมบาลามีปัญญาบาลมีที่บางทีอาจจะแค่เจริญแค่ทางบารมีมาก่อนยังไม่เคยเจริญทางด้านปัญญาบารมี <c oughs> ก็ยังหลงอยู่กับของที่ไม่ใช่เป็นสาระที่แท้จริงเพียงหลงอยู่กับลาบยศสารเสินสุขีมิตรภัยภิ ก, กษิจยังไงก็มันก็ยังเข้าไปไม่ถึง ือท่านาก็ะห็นแล้วแต่เห็ว่าเนี่ยข้าราชพุทสอนให้ใช้อุเบกขามาเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนกับคนไทยไม่มีน้ําใจแบบไม่มีทางให้สารถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเทียบกับพวกศาสนาคริสต์เนี่ยฝรั่งนี่ถึงว่าเขาจะทําเกี่ยวเรื่องเด็ ก, กัมพาหรือเด็กแล้วเขาจะแบบคุกคีกับเด็กโสโครหรือเด็กที่ที่การได้แบบ สนใจเอาขึ้นมากาะเแล้วขณะที่เราศาสนาพูดอย่างเงี้ยเราไม่กล้าจัดเลือกเราต้องร้อยฝรั่งมาเรียกเราเราเดียวไปทำหรือยอย่างเงี้ยแต่ต้องฝรั่งนําหน้าตอลอดเวลานี่คือว่ามันเป็นเพราะศาสนาเพราะเขาทำให้เป็นแบบนี้เราเห็นว่าเราคิดว่าเป็นบุญกรรมแล้วเบียขาาเราก็เรียกปล่อยเขาวัาวางไว้ตรานั้นแล้วเราแต่ขณะที่เหมือนกับฝรั่งอย่างเงี้ยตา ม, มากกว่าเพราะบางครั้งลูกถามเรื่องคนนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงอก็จะว่าเราไม่มีเมตตาก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราคิดว่า เรายอมรับเรื่องของกรรมด้วยแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับค้ายๆว่ า, า, าลกเลยแล้วก็ดูแลาศาสนาก็สอนให้คนมีเมตตารุณามูดิตาอุเบกขาเหมือนกันก็มีการทำมีมูนิธีมีอะไรเหมือนกันเพราะอย่างที่สมาคมเ น, ะนี่ยท่านี่ไปกันเนี้ยสมมติจะมีสขหลังสมมาที่ไปจะมีคนไทยดยนี่เป็เอเชียอยู่สองคน แล้วคนไทยคนเอเชียทําได้ไม่สนิทเข้าฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะศาสนาคริสต์ต้องมีอะไรดีอย่ที่ว่าสามารถสอนให้เขาสามารถคือเขาอาจจะเล้นไปทางนั้นก็ได้แต่ของเราเนี่มันเรามีหลายอย่างที่เราต้องลําเพ็ญไปควบคู่กันคือเมตตก็ต้องมีแล้วเราก็ต้องมีศีลเราก็ต้องมีภาวนาด้วยเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติมันต้องไปไกลกว่าการ ให้ทานเดี่ยวคือทานให้ทานก็คือความเมตตาที่ช่วยเหลือสองทอดคุนั้นคุนี้ซึ่งเราก็มีมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ทำแบบเป็นปไทยกับที่เขาทำกันอยู่เราทำาอ็นไปต่ามคนต่างทำกันอย่างไทยเรามีขอทานเยอะแยะเสมอมีอกมารให้ทานเยอะเสมอ มีการปล่อยนกปล่อยปลาอะไรของเราไปแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นแบบองคอ์กรเหมือนของเขาเขาทำเป็นแบบองคอ์กรขึ้นมาแล้วก็อาจจะทุ่มไปกับไองานอย่างนี้มากจนเลยทำให้ความเด่นขึ้นมาแต่ของเรานี่มันเป็นการดำเนินที่เป็นเพียงหนึ่งในส่วนของการดำเนินเท่านั้นเอง หรือเราก็เช่นเราทาบุญตักบานี่ถ้ า, ถาท่านมีส่วนเหลือท่านก็ไปสงเคราะห์ให้เราแทนเรามีคนยากจนมีคนเดือดร้อนพระก็ก็สงเคราะห์กันไปเพราะฉะนั้นจะว่าเขาจะเปรียบเทียบกันมันก็มันก็อาจจะมองมองแล้วมันอาจจะคิดว่าเราไม่มีแต่เราคล้ายๆว่าเรา มันนี้เราค่ายาวไม่เร า, า, าเร า, เราปฏิบัติหลายอย่างเพราะสมมติถ้าเรามีเมตตาแล้วเราขาดอุเบกขาเนี่ยบางทีเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นใครเดือดร้อนก็เป็นห่วงเป็นกังวลเข้ามากไป <im itation> จนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดอุเบกขา คือเราทําได้เท่าไหร่เราก็ทำไปช่วยเหลือกันได้เท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือกันไปเมื่อมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เร า, าก็ต้องก็ต้องปรองว่ามันเป็นเรื่องของของของวิบากกรรมแล้วก็ใจของเราจะได้ไม่ไม่ไม่แปรงใจของเราก็าจะคล้ายๆว่ายังยังนิ่งเฉยได้ <c oughs> เช น, นการทำบิบไลท์ของทางศาสนาเราถือการดูแลใจเราเป็นหลักก่อน <Okay. S 1> เราจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็ทำได้แต่ใ จ, ใจของเราจะไม่จะต้องไม่กกล้ๆว่ารุ่มร้อนร ว, วุ่นวายไปกับการช่วยเด็กอผู้อื่นในกรณีที่มันอยู่เหนื อ, อความสามารถของเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็ช่วยได้แค่นี้แหละเช่นเป็นหมอรักษาโรคคน แต่เมื่อเป็นโรกที่มันรักษาได้แค่นี้หมอทำได้แค่ น, นี้ก็ต้องแค่นี้จะมาวุ่นวายใจมันก็ไม่เกิดตูวแล้วฉะนั้นถ้าเรามองจริงๆก็คิดว่าทางศาสนาพุทธนี่ก็มีความเมตตามากเพราะว่าหัวใจของศาสนาก็ทาสอนก็ท่านก็สอนความเมตตาอยู่แล้วว่า อะไรนะเมตตาเป็นเครื่องเป็นธรรมทาบุญโลกแต่ว่าคนอาจจะไม่เอาไปไปปฏิบัติ<ม>คือส่วนใหญ่จะจะชอบทำบุญทำทานกับกับพระนี่แต่อาจจะไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานกับพวกคนขอทาน<ม>พวกคนเดือดร้อนอะไรแนี้เพราะอยากจะได้บุญเยอะ <c oughs> ก็เหมือนหลวงตาใช่ไหมว่าท่านก็ช่วยบางคนท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยช่วยไม่ได้ท่านก็ก็เลยกลายเป็นภาระของพระที่จะต้องรับช่วงต่ออย่างเราชอาได้บุญเยอะๆแล้วก็ไปทําบุญกับหลงตาแล้วหลวงตาท่านก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปไปช่วยแทนพวกเราอีกทีท่านก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปสมคบเหมือนกับที่เขาทํากันนี่ยเพียงแต่ว่าพวกเรามันติดพระซึ่งก็ดีเพราะว่า เราเข้าหาพระเราเราได้หลายอย่างเขาทําของเขาเองเขาได้แค่ทานบาลมีอย่างเดียวเราเข้าหาพระเราได้ทานบาลมีแล้วเรายังได้ปัญญาบาลมีเราได้ศีลบาลมีได้หนุนธรรมบาลามีเพราะเราไปอยู่วัดเราก็ต้องถือศีลแปดเราฏิบัติธรรมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการทําอะไรเราก็ต้องคํานึงถึง ประโยชน์ตนด้วยพระพุทธเจ้าสอนว่าจงบำเพ็ญประโยชน์ตน น, ะ, นะท่านให้เห็นความด้วยความไม่ตตาถเถิดประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวอิ่เราจะไปป้อนคนอื่นแล้วเราไม่ได้กินข้าวนี่เราเดี๋ยวไม่มีแรงเราต้องป้องตัวเราให้อิ่มก่อนเมื่อเรามีแรงแล้วเราก็ค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็ไม่เคยไปประกาศศาสนาสอนใครเลย ก็ทร่งบำเพ็ญถึงหกปีด้วยกันแต่เมื่อทรงบรรลุแล้วตัดรู้แล้วก็เมตตาตอบสนองโลกถึงสี่สห้าปีด้วยกันซี่งแต่ว่าศาสนาผู้ที่เห็นว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่นมามธรรมคือคุณธรรมามากกว่าวัตถุทานนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันวัตถุทานวิทยาทาน อภัยทานและธรรมทานในบรรดาทานทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการให้ทำชนะการให้สังปูเพราะพูดให้ทำนี่ทําให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ให้ข้าวให้อาหารให้ที่อยู่ก็เพียงแต่พอประทังชีพไปวันวันหนึ่งแต่ไม่ได้แก้ปัญหาหลักคือการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นถ้ามองแบบคนที่ไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการให้วัตถุทานเช่นสร้างโงรงพยาบาลสร้างอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การสอนธรรมะับเป็นเหมือนกับว่าเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรเพราะเขามองไม่เห็นเราะไม่มีปัญญาที่จะเ อ, อเห็นคุณค่าของ ของธรรมะได้ท่านั้นเองถ้าดูพระพุทธเจา้าตาลอด45พระพรรษานี้ไม่ได้สร้างโรงพยาบาลไม่ได้สร้างมูลนิธิสงเคราะห์ดเด็กหรืออะไรเลยทําไมาคนอย่างพระเจ้าถ้าจะทำสิ่งอหล น, นี้ทำไมาจะทําไม่ได้เพียงแต่พระองค์ทรง ว, ว, ว, วิเคราะห์ดูแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธที่พระองค์มีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทอง ให้ธรรมะเนี่มันดีกว่าให้เงินให้ทองดีกว่าสร้างมูลนิธิสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนต่างมันก็เป็นทานเป็นวัตถุทานเป็นวิทยาทานสร้างโรงเรียนก็เป็นวิทยาทานสร้างสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสงเคราะห์คนไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นการสงเคราะห์ด้วยวัตถุทานแต่ไม่มีธรรมทานนี่ตายไปมันก็จบ ตายตายมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่องอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นไม่ได้เป็นผ้ า, าหางได้แต่ถ้าให้ธรรมทานเนี่ยมีผ้าหางเป็นหมื่นเป็นแสนี่ยอันไหนจะมีคนท่ากับกันอันนี้ผมจะตอบความความสงสัยว่าทําไมศาสนาพุทียงไม่เด่นทางด้านวัตถุแต่เราจะเด่นทางด้านคุณธรรม สอนให้คนมีคุณธรรมนี่มันดีกว่เพียงแต่สงเคราะห์เขาด้วยปัจจัยศีก็มีปัจจัยศีเขามีแรงกําลังวังชาถ้าใจเขายังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปค่าคนนี้ก็ได้ไปรัดตับไปทําผิดศีนได้แต่ถ้าให้เขามีคุณธรรมมีศีนมีธรรมเนี่ยเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครถึงแม้เขาจะอดอยากขาดแคลนยังไงเขาก็ยังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ว่ามิจฉาไม่ใช่ว่าผิดหรืถูกนะครับเลยที่ฟังมาวิชาเอวิชาถ้าเกิดกาจัดวิชาได้ถนงไหนาะกำจัดไตหลับได้อันนี้ถูกยังหรือผิดนะคือมันเป็นของคนละด้านกันไงเอวิชากับไตหลับนี่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับมืดกับแจ้งใช่ไหมถ้ามีความสว่างมันก็ไม่มีความมืดอย่างตอนนี้มีความสว่างความมืดก็มีแต่พอความสว่างหายไป ความามืดความามืดมันก็ตากดเริงไม่คาดจะทำใจที่วันนั้นนั่งสมาธิแล้วพี่ลงตาพูดตรงนี้จัดจับได้นิดเดียวถามจริงนะโบ ร, ราณ น, นั่งสมาธินี่แหละตอนแรกๆจะได้ความเข้าใจไปเลยแล้วพอสักพักหนึ่งก็จะได้ยินแบบอย่างเงี้ยค่ะแค่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็พยายามจะหาอยากจะรู้ว่าเราจะกำจัดอวิชชาได้ไงแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่หมายเห็นว่าเหมือนกับว่าเราหายแล้วอะ่ะมันกลับ อันนี้เราต้องพยายามเรียนกลับมาฟังเทศให้เข้าใจหรือว่าก็ต้องปล่อยให้ไปแบบไม่อยเรียเวลาฟังเทศมันแล้วแต่เราจะฟังแบบไหนเราจะฟังให้เกิดปัญญาเราก็ต้องพิจารณาตามถ้าเราทีา่น่าขมานาี่ไม่ควรฟังจ้ะก็แล้วแต่ระดับจิตของเราจริตบางคนพิจารณาตามไม่ทันไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถึงเหตุถึงผลที่แสดงได้ก็เพียงแต่ใช้ฟังแต่เสียง อาศัยเสียงนั้นเป็นตัวเกาะทําทให้จิตสงบอะอย่างนี้เรียกฟังเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าฟังอย่างเนี้ยที่คุยกันเนี้ยแล้วอธิบายถึงเหตุถึงผลให้ฟังถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญาขึา้นงั้นมันอยู่ที่ฐานะของคนฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าจิตยังอยู่ในระดับที่ยังพิจารณาไม่เป็นยังยังไม่สามารถเออ่ เชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลได้ฟังไฟก็ไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อทำิดให้สงบก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาปัญญาทีละขั้นคิดหัดเริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลไปก่อนเช่นวิสัยสว่างเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์ทำให้มีแสงสว่างเวลามันมืดๆเพราะอะไรมืดก็ดวงอาทิตย์มันตกมันไปรับดินแล้วอย่างนี้มันมีเหตุมีผล ต่อไปแล้วก็คิดพิจารณาคนนี้มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทําความดีอันนี้เขามีความมุ่นมายใจเพราะอะไรเพราะเขาไปทําความไม่ดีไว้ค่อยๆหัดพิจารณาไปเรื่อยๆในระดับแล้วเมื่อมันพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปถึงระดับใจลับจะเริ่มพิจารณาเห็นว่าพนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งหลาต้องเป็นอย่างนั้นทั้งส้น พิจารณาไปเรื่อยๆก็คิดก่าน่มชินกับความจริงนี้ก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องอไม่ใช่เหมือนกับมีคนต่างดาวมาโผล่ใช่ไหมเวลาเวลาคุณตายทีนี้แต่เวลาคุณตายทีรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตโผล่หลอนเพราะใจของเราไม่ได้พิจารณาถึงความตายจนเกิดความชินกับมั ตายเป็นเหมือนกับความตายนี้เป็นเรื่องแปลกที่เวลาเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีลูกกุกาบาหลงมาจะต้องมีการโจทขา่าวเฮ้ยคนนั้นตายแล้วนะคนนั้นตายแล้วนะแจริงมันต้องรู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องตายนะตายแล้วทำไมต้องมาเป่าประกาศบอกกันให้โกลาหลวุ่นวายกันตายก็ตายก็เผากัานไปนี่ก็บจบใช่ไนหะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจริญ ใจรักใจเราจะหมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับความหลงอยากจะอยู่เปนา น, านอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปตลอดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ปวยพอเกิดอาการเจ็บไข้ได้สวยขึ้นมาก็วุ่นวายใจละแทนที่จะเฉยๆเป็นอุเบกขามไม่ได้พอแก่หน่อยพอเห็นผมขาวขึ้นมาสักเส้นนึ่งนี้โอ้โหยังกะเห็นนรก เพราะเราไม่พิจารณาว่าเรามัวแตอยู่ในความมืดของอวิชชาอาวิชชานี้จะให้เราคิดว่าเราจะสาวไปตลอดเราจะไม่เจ็บไข้ได้ส่วยเราจะไม่ตายคือมันเมื่อไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับเราจะมันเราจะไม่เป็นพอมันเกิดขึ้นกับเราครับเนี่ยมันมันรับไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆด้วยใจรักเดี๋ยวต้องแก่แล้วนะ แก่ทุกวันไม่ต้องเดียวอะ่ะแกะอยู่ทุกขณะชีวิตเราเหมือนกับต้นเทียนจุดไฟปั๊บเนี่ยมันก็นเริ่มกินเนื้อเทียนไปไเรนะื่อยๆเดี๋ยวชั่วโมงสองชั่วโมงต้นเทียนนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ชีวิตของเราก็ดอนเวลาคืนไปไเรื่อยๆเพียงนิดเพียงหน่อยเพี น, นิดเพียหน่อยทุกขณะทุกวินาทีแก่ไปไเนื่อๆแต่เดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุด มันง่ารถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราก็รู้หยุดก็หยุดก็ไม่เป็นไรเหมือนจะเป็นอะไรคือไม่ทุกข์แอยา่างแต่ไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยปัญญายิงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบทสวดเขาก็มีสอนให้สวดไม่ใช่หรเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพุ่นความแก่ไปไม่ได้ เที่ิจนรณาหรือไม่ทุกวันพยายาสวดบนต์มันเข้าไปยังเป็นไม่ได้ยังมันต้องเอาชนะไอตัวที่มาต่อต้านความรู้สึกที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ได้แไอตัวความรู้สึกนี้เป็นตัวกิเลสมันไม่อยากแก่เลยไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้ามีความไม่อยากอย่างนี้อยู่มันก็จะทําให้มันขัดใจแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นธรรมดานะนถ้ามันเวลามันจะแก่ก็ ยอมรับนะแต่ไม่ได้อยากแก่ไม่ได้อยากเจ็บไม่อยากตายนะความอยากแกอยากเจ็บอยากตายก็เป็นกิเลสเหมือนกันเวลาอยากจะตายก็ต้องฆ่าตัวตายเยอะคนบางคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะความอยากตายแอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเพราะมันไม่อยากจะอยู่มันอยากจะตายแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเฉยๆเราเมื่อเราคุ้นเสนาแล้วเราจะเป็นอุเบกขาใจเราจะเฉยๆกับการ การเป็นการตายเป็นก็เป็นตายก็ตายได้ทั้งสองอย่างขนาดเป็นก็อยู่ขนาดตายก็ไปก็่อย่างนี้ก็แล้วกันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สุดนี่คือการเจริญปัญญาปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างทำทำโมปีโปให้แสงสว่างทาถ้ามีใ้รักอยู่ที่ไหนหกิเลสมันก็จะกระจายไปกระจายไปมันจะไม่ยึดไม่ติด ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยใครอยากจะไปเอามาไอบอกเอาไม่เจ็ดหมืนสามพันล้านแต่คุณต้องกอดกับความทุกข์นั่นน่ะะถ้ามีกิเลสไม่มีปัญญามันก็จะเอาแต่คนที่มีปัญญาก็ไม่เอาอ่ะให้หลงตาไปเ ท, ท่าไหร่ท่านเก็บไว้ให้ไหนนะันระบายออกไปทันทีระบายออกไป ท, ทันทีเก็บไว้แล้วมันปวดหัว ต, ต้องดูแลรักษามัน แล้วไม่เกิดไปอยู่อะไรเก็บอะไรองเงี้ยท่านอาจารย์อยู่บ้านป่าสมัยก่อนบานป่าท่านเทศที่อบรมพระบ้างมก็อบรมท่านจะอบรมพระตอนเย็นตอนเย็นเย็นประมาณพอจะเริ่มมืดท่านก็จะบอกพระว่าตาเรียกพระมาประชุมก็ประชุมมันฑาลาชั้นบนเ ม, มื่อก่อนท่ชั้นล่างมันไม่มีที่ชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนธรรมดาเจ็บพวก เท้าค อ, องอยู่าต่างเก็บกองไม้เก็บกองอะไรต่าง แ, แล้วมันต่ําำแต่ลอนนี้เขามายกขึ้นทีหลังถ้อยูตอ่ตอนนั้นไฮะตอนที่ยกมตอนตอนยกครั้งแรกอยู่ดูกยกยกสองครั้งครั้งแรกยกยกเสาขึ้นมาสูง ข, ขึ้นมาหน่อยรู้สึกเปลี่ยนเสาตอนครังเมื่อก่อนเป็นเสาไม้แล้วมันรู้สึกว่ามันเก่ามันจะผุแลนะ้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาเกลือ แต่ไม่ได้ยกสูงขึ้นรู้สึกว่าจะเท่าระดับเดิมแต่เปลี่ยนเสาเป็นเสาเป็นเสาปูที่มายกสูงขึ้นที่หลังแล้วทาเป็นที่นั่งปูกระเบื้องหรืออะไรเนี้ยเทปูใช่้ยม ต, ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แล้ ว, วเวลาออกมาเมื่อปีสองหกปลายปีสองหกแล้วก็ไปเมื่อปีหนึ่งแปดระมาณว่าสิบแปด พอตายปีสองหกก็ลาท่านออกมานะดูแลโยมพ่อไม่สบาย mm hmm. ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแบบไม่กลับนะแต่ก็ mm hmm. ก็ก็อยู่มาแล้วก็อล่อยึดต่อไป mm hmm. ท่านหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีท่านเข้าๆขอาออกอมานานแล้ว mm hmm. ปีหนึ่งแปอาตมาก็จำภาษากระท่าน ท่านก็ปีนั้นท่านกาเข้ามาจากมัสยิดที่วัดต่างๆเพรืะนัมีหลวงปู่ลีมีหลวงปู่บุญมีท่านปัญญาท่านอาจารย์อินถวายท่านเชรี่ที่เส้นเพียรออกไปก่อนนะคะท่านชาติวิวไม่อาตมาไม่เคยเห็นท่านกลับมาจากมัสยิดเพราท่านท่านมีวัดขนงท่าน้วแต่หลวงปู่ลีนท่านสร้างวัดแล้วท่านจะไม่อยู่ ท่านไปอยู่แล้วเขาสร้างวัดให้ท่านอยู่ท่านก็อยู่ให้เขาสักสองสามพรรษแล้วท่านก็ไปอย่างวัดดงสรีหลวงพูนี่หลวงพูนมีปนเป็นคนสร้างแล้ว<อ>ท่านจะให้ท่านอาจารย์ทูไปอยู่หลวงปู่ลีท่านไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบ อ, อยู่ติดที่แต่ท่านจะเข้าออกเข้าออบ้านศาลนี่น<อ>ี้บางทีออกไปสองสามพรรษาแล้วกลับมา อ, อยู่พันษาสองพันษา ท่านก็ไปใหม่ท่านสํานสำเร็จนานอย่างนี้นอันนี้ก็ไม่ได้ถามเวลาท่านแต่ว่าได้ยินข่าวหนูเพื่อนพูดใช่ว่าปุ๊บปุ๊ีท่านท่านหมดปัญหาไปแล้วอาตมานี่มีมีปัญหาของตัวเองอยู่ไหนคือไม่ชอบไปสนทนากับใครอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปสนทนาใครเลย ครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เลงหลวงปู่นั่นนอาจารย์ที่ถวายพระผู้ย่างท่านปัญญาก็าไม่เคยไปไปสนปัาอะไรเราโมแต่ยุ่งกับเรื่องของเราอืคนเดียวก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องราวของขอรคนอื่นเีแต่ได้ยินได้ฟังจากเวลาที่เขาคุยกันอะไรอื่าง้บแล้วเวลาสมมติ ทำสมาธิไปลูกๆยังไม่เคยเนี่ยฐานดูดิว่าทําจิตสงบไปมากๆแล้วมันจะมีกิเลสอะไรให้ฆ่าเนี่ยมันเหมือนว่าเราสงบแล้วแอ้วมันเหมือนกับสมาธิเหมือนกับฉีดยาสลบมันไม่ตายเวลามีความสงบกิเลสมันก็สงบตัวไปด้วยพอออกจากความสงบกิเลสมันก็แล้วตอนนี้พอสงบแล้วเอาปัญญาไปคิดเรื่องกิเลสมันก็เหมือนจะว่า ถ้าเป็นปัญญาเมื่อเราคิดเรื่องธรรมะสิะถ้าถ้าคิดเรื่องกิเลสมันก็เป็นเรื่องของของอริชามีความคิดของเราในคิดไปได้สองทางานะคิดไปในทางธรรมะก็ได้และคิดไปในทางกิเลสก็ได้เช่นถ้าอยากล่ำอยากรวยอย่างนี้ก็เรียกเชื่อไปทางกิเลสอยากจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถ้าเกิดความอยากในทั้งสา ป, ประการคืออยากอยากในตาม ในการคุณอย่างในรูปสูงจินตดจดก็แล้วก็รวมไปถึงอยากจะได้วัตถุเท่าของของใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอะไวกนี้เรียกว่าเป็นความอยากของกิเลสคิดไปในทางกิเลสอยากจะเป็นอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะร่ำอยากจะรวยนี่ก็เียกว่าเป็น ความคิดสังเกตไม่อยากจะมีพาหะเป็นกิเลสเนี่ยไม่อันนี้เป็นมรรคเห็นไห ม, มอยากทําความดีอยา่างรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เปนกิเลสนี่เป็นความคิดทางทางธรรมเรียกว่าความคิดไปในทางธรรมะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความคิดที่ไป ใ, ใจสองด้านคิดไปทางธรรมะก็เป็นมรรคคิดไปในทางทางกิเลสมันก็เป็นสมุทยัยก็าพาเราไปสู่ความทุกข์ความมึนหมายใจ ถึงแม้จะมีได้มาเจ็ด0มื่นสามันล้านก็วุ่นวายใจไม่มีสารสุดแต่ถ้าทาบุญเจ็ด0มืนสามนล้าไปนี่โอ้ับรองได้คนนี้จะ <c oughs> ชื่อนี้จะเสียงถ้าว่าดังไปทั่วโลกเลยเอาอย่างเศรษฐีของโลกอะ่ะเขาก็ไม่ได้เก็บเงินเข้าไว้นะคุณดิวเกตเนี่ยรู้สึกว่าเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาต้องเขาใช้เงินไปไม่รู้กี่แสนล้านบาท <Pin. S 2> หลายหมื่นล้านเหรียเงินที่เขาได้เงินของเขาเนี่ยเขาบริจาคสร้างสมุนทิพยแล้วเอารายได้าจากเงินมูลทิพย์มามาแก้ปัญหาทางดา้านโรคผันแปรเจ็บเมื่อไม่นานนี้เมื่อสองสาวันก่อนก็ประกาศโครงการสิบปีที่จะต่อสู้กับโรคพีบีมีงบประมาณค่าใช้จายประมาณห้าหมืนหกพันล้านเหรีย เพื่อที่จะช่วยเหลือคนมาให้ตายจากโรคที่ดีฝรั่รงคนมากเขจะเป็นนี้ใช่ไหมเขาจะบบใจดีใช่ครับพวกเราก็คนไทยก็มันมันมันก็ไม่เสมอไปคนไทยที่ใจดีก็มีง <c oughs> แต่ว่าคนไทยเราอาจชอบทําบุญปิดทองหลังพระมากกว่า <c oughs> ใช่ไหมอย่างคนที่บริจากเงินหลวงตายเยอะๆนี่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นไทยเราไม่ปะโกนตัวนเขาออกมา เพราะนี่เป็นเป็นเป็นแนวทางของพุทธพุทธนี่ทำอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยดังดังอยู่ในใจของตัวเองะนั้นแล้ว <Okay. S 1> อย่าไปเปรียบเทียบกับคือเปรียบได้แต่ถ้าเราพิจารณาลงไปลึกๆแล้วมันก็ไม่สำคัญอะไรแต่ลูก่าบจะขอเปลี่ยนนะ เดีก็ไม่ถึงนิพพานโรคแกเป็นเบญจศาสนาเลยอ่าเศาสนาอื่นเนี่ยเขจะเขาไม่มีก็ไม่มีทางไปถึงพระนิพพานเขาจึงต้องเน้นอยู่ทางด้านการการให้ทานเป็นหลักคือการให้ทานแล้วก็รักษาศีลก็จะทำให้คนไปสวรรค์สวรรค์ก็ได้ไปเจอพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่แค่สวรรค์แต่ของเรานี่มันเลยสวรรค์ไป ไปถึงนิพพานนิพพานนี่มันต้องจิตสงบจิตปล่อยวางแลิกพระเจ้ามันมีจิตไหพระเจ้าก็เป็นจิตดวงหนึ่งหนึ่งของพวกเราเนี่ยอย่างเป็นเทพนี่ก็เป็นพระเจ้าเล ย, ยเราสมถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีลตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพยนงไม่าบจริงทบกวจริงพระเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหมือนกันก็เขาก็มีวิธีเขาก็มีการสอนให้ ให้ให้ให้มีการสวดอะไรของเขายิ่งก็าอาจจะเป็นวิธีทํากิจใจให้สนะแต่ทุกศาสนาในโลกเนี้ยต่างกับศาสนาพุทธตรงที่ว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องตายรักแต่ศาสนาอื่นนี่ไม่ได้สอนคือตายรักนี่อาจจะสอนเรื่องอนิจจ์ทุกศาสนาก็เห็นว่ามันมีเกิดแก่เกิบตายเหมือนกันเห็นว่าชีวิตในโลกนี้ก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่มีไม่ไม่มีใครเห็นตัวอนุตาล้าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมพวกเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนแต่วิชามันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนล้วก็ใส่ให้เทพเป็นตัวเป็นตนให้ให้เป็นพระเจ้าให้เป็นพระอินทร์พระพรหมขึ้นมาแต่คราเจิงมันก็เป็นดวงจิตทั้งนั้นดวงจิตที่มีคุณธรรมต่างกัน ถ้ามีคุณธรรมสูงก็เป็นพระอริยเจ้าสามลงมาก็เป็นพระโภคมสามลงมาก็เป็นเทศสามลงมาก็เป็นมนุษลงมาอีกก็ไปเป็นเดชะชานเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นดวงจิตทั้งหมนดวงจิตที่สะสมบุญนั้สะสมสัมแล้วทําให้ดวงจิตนั้นเป็นไปตามบุญตามกรรมเลยข้าเชื่อถ้านเลย พิจารณากระสอบเวลาได้นี้เราโอเคแล้วก็พยายามพิจารณาให้เห็นเป็นไตายักแล้วก็ปล่อยวางคืออยากไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากจะได้อะไรขอให้ปล่อยวางแล้วมันจะได้สิ่งที่เราดีวิเศษอยู่ในตัวเราคือความเบาใจความสุขใจความสงบใจแต่ถ้าเราไปอยากได้อะไรแล้วความวุ่นวายใจจะตามมาทันที ยังไม่ได้เจ็ดหมื่นสามพันล้านวันนี้ก็เป็นไงใจวุ่นไหมหรือใจสงบแต่ถ้าสละไปเจ็ดหมื่นสามพันล้านไปนี้รับรองแน่ใจสบายหมดภาระหมดความกังวลไม่ต้องมายุ่งกับมันถ้าเดี๋ยวตายไปมันก็ต้องสละไปอยู่ดีเอาไปได้ที่ไหนล่ะเจ็ดหมื่นสามพันล้า น, นก็ต้องชีว้ให้เป็นสมบัติของคนอื่น แล้วต้องทิ้งแบบไม่ได้บุญด้วยเพราะไม่ได้ทิ้งแบบสมัครใจการที่จะได้บุญนี้ต้องต้องสมัครใจเนะี่ยถึงจะได้เช่นโยมเอาของมาถวายพระนิยมสมัครใจมาถวายถึงแม้จะเสียของไปแต่มีความสุขนะแต่ถ้าเกิดขโมยขโมยไปเนี่ยไม่มีความสุขใจแต่มีความเสียใจเสียของทิ้เดียวกันแต่ผลต่างกัน อยู่ตรงที่ว่าเราเสียไปด้วยความสมัครใจหรือ ด, ด้วยความไม่สมัครใจถ้าเสียด้วยความสมัครใจมันก็มีความสุขนี่แหละคือบุญความสุขใจนี่แหละคือเหตัวบุญมันเป็นการปล่อยวางเป็นการไม่ยึดมีติดเป็นการทำจิตใจให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าไม่ปล่อยวางถ้าไม่ไม่ยินดีที่จะให้ เกิดใครหยิบไปหายไปนี่วุ่นไะมบางทีต้องไปแจ้งความตำรวจพยายามไปสืบสอหาให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วถ้ารู้ว่าคนไหนเอาไปก็จะโกรธจะเกลียดคนนั้นขึ้นไปอีก็นเกลียดขึ้นไมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความก้าวว่าสมัครใจพร้อมที่จะอยากสิ่งต่างๆไป ถ้าเราพรอมอย่างนั้นแล้วเวลามันจากไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเรารู้ว่าเครื่องนี้สักวันหนึงมันก็ต้องเสียหรือแม้ก็ต้องหายไปหรือมันหมดตกรุ่นไปล้วเบื่อมันให้คนอื่นไปอยู่ดีมันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วถ้ามันหายไปมันจะไปโดยวิธีใดมันก็ไม่สร้างความทต้อ์ให้กับเรานี่คือความเป็นจริง รู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่อยู่กับเราไปตลอดรู้ว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของเรารู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่ล้าก็ไปบังคับมันไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันก็ไปถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ไปยึดไปติดไม่ได้ไปอยากว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะต้องดีไปตลอดจะต้องไม่เสียอะไรนี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเราลองเห็นตายรักแล้วเราจะ เ, เราจะไม่อยากจะได้เราเพราะตายรักมันมีทุกข์อยู่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขแต่ส่วนใหญ่เราพอมีกิเลสตอนมันเห็นโอ้ได้มาแล้วฉันจะมีความสุขก็ซื้อมาเราซื้อมาแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาเลยต้องคอยดูแลรักษามันต้องคอยหาฐานมาใส่ต้องคอยชาดแบบให้มันเนื่ยไม่มีมันเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่มีของพวกนี้เราอยู่ได้กัน แล้วก็อยู่เป็นมาไม่เดือดร้อนขนาดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่แบบพระได้แสดงว่าเราเรามีปัญญาเราอยู่อย่างนั้นแล้วเรามีความสุขเยอะอยู่แบบพระคืออยู่แบบไม่มีอะไรเอาเท่าเอาเอาเอาท่าที่จําเป็นคือปัจจัยสี่เครื่องครองชีพเครื่องดํารงชีพ น, นี้มันต้องมี ลองเหนืจากนั้นแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องทํางานทําการก็ต้องมีเครื่องมือเป็นธรรมดาใช่ไหมเช่นจะต้องไปเทศนาว่ากล่าวตามสถานที่ต่งางๆต้องเดินทางก็ต้องมีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเครื่อ ง, องต่างๆแต่มันมีเฉพาะกิจมันมีเฉพาะตามเหตุตามผลของมันไม่ได้อยากมีด้วยความกู้รู้ไม่ได้อยากจะมีเพราะอยากจะไปเที่ยว บาคนบอกวามีรถคัแล้วท่นสบายไปเที่ยวไหนก็ไปได้แต่การไปเที่ยวนี้มันไม่ได้เกิดความมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับจิตใจแต่มันเกิดประโยชน์กับกิเลสเพราะการอยากไปเที่ยวนี้เรียกว่าเป็นการมักตัณหานีก็เป็นการสร้างการมะตัณหาให้มีมากขึ้นมีความอยากเที่ยวมากขึ้นมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้พออยู่เฉยแล้วก็ทุกข์ให้นั่งภาวนาอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปนู่นมานี่แล้วไป ตัวอาศัยบางทีก็อ้างว่าเอาการทําบุญเป็นเหตุขึ้นไปอินเดียก็อ้างว่าไปสแสวงบุญกันแต่หลักจริงๆแล้วมันหลักของกิเลสบุญไม่ต้องไปถึงอินเดียก็มีสแสวงหาในใจเรานี่แหละคุณบ๊อบคุบอกว่าเหมือนกับว่าที่นั่งอยพลังที่แบบพระเจ้าหรือว่าพุทธาสมาธิมันจะนั่งได้มากขึ้นหรือยิเต็งเนี่ยก็ไม่ใช่น่ะก็สํ า, นะาสหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะมีพลังจิตของตัวเองได้ ก็ต้องอาศัยสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังได้กําหนดว่าให้ไปบูชาได้ตามสถานที่หลังนั้นเพราะเมื่อไปแล้วมันก็จะเกิดเกิดพลังขึ้นมาเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดอะไรขึ้นมาแต่สําหรับคนที่ได้พัฒนาเกินท่านนั้นแต่และเขาไม่ต้องไปหรอกหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ไปหลวงตาก็ไม่เคยไปหลตาก็บอกตัวเองด้วยหลวงตาก็บไม่จะไปถึงอินทรีย์ แต่คนที่ยังมันไม่มีพลังต้องทำยังไงให้ได้ครับไม่ต้องไปอินเดียก็ได้เนี่ยก็ค้าหากูบาจางอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมแล้วพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการภาวนาภาวนาให้ได้เถอะให้จิตมันรวมทั้งช่างเดียวล้างพลังทั้งหมดมันยิ่งต่อไปอินเดียอีกในท่าันบอกว่าพยายามให้ผ่านตรงไอ้ทกเวททาตรงให้ได้ใช่ไหมครัพยายามให้ได้จะผ่านด้วยวิธีใดหวิจาร จะรวมด้วยวิธีใดก็ตามบางคนมีบุญอาจจะไม่ต้องนั่งไปอาจจะไม่ต้องผ่านเวทนานะก็ได้พอจิตบริกรรมมันก็เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมแล้วก็รวมอยู่ไปเลยมันก็ไม่ผ่านเวทนาก็มีแต่บางคนมันบริกรรมเท่าไหร่มันก็ยังไม่สงบมันมันก็ปวดมันก็ต้องปวดเจ็บก็ต้องพยายามฝืนทนแล้วก็บริกรรมต่อไปอ่าจนกว่ามันจะผ่านไปได้ ถ้าถ้าไม่ผ่านมันถอนมันก็ลุกขึ้นมามันก็จิตมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าในทางนั้นสมมติว่าหน้าอย่างนี้นะคะแต่เราพยายามเปลี่ยนจุดสูงถ่วงเราค่ะเพราะบาทีเราเปลี่ยนหน้าลงหรือหลังลงไม่เกิดประโยชน์เราให้อยู่ท่าเดียวเลยถ้ามันตั้งท่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามันดีแล้วก็มันท่านั้นเราไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเพรายุ่งกับมันทําให้เราเสียสมาธิ ทำให้เรามไม่บริกรรมามาลดได้ใช่แต่มันไม่ได้ทําให้จิตผ่านเข้าไปสู่ความสงบถ้าเราต้องการอเราต้องการลดเมตนาหรือเรา<ม>ต้องการให้มันรวมรวมหให้รวมให้รวมลงก็ไม่ต้องไปกังวลกับเมตนาไม่ต้องไปวังกังวลกับกายปล่อยวางมันไปตามเรื่องของมันขอให้เราจิตเราอยู่กับบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่องเดียวนั่นเ้งแล้วอย่าไปคาดอย่าไปทะเลว่าเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไห ถ้าฆาากันนอแล้วนะมันก็จะไม่รวมให้แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธใช้ไปขาดจากไปพุโทโธอะไรนั่นแหละมันแล้วมันจะรวมเองแล้วไม่ทราบถ้าหวังเง้ยเป็นยังไงหมายว่าเราทําบุญทาําทานไจเรื่อยเงี้ยหมายว่าบารมีจะเพิ่มขึ้นเราจะให้เรา ง, ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราหวังอะไรถ้าทําทานบารมีมันก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องศีลบารมีถ้าถ้าอยากจะได้ภาวนามันต้องมีศีลบารมีด้วยต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเริ่ม เราก็ต้องเริ่มภาวนาไปด้วยไม่ใช่ทําแต่สีลอย่างเดียวทําแต่ทานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ภาวนาแล้วอยู่ๆจะให้มันเกิดการภาวนาขึ้นมาไม่ได้มันอาศัยทางสีเป็นเป็นช่วยช่วยชนับสีแต่เราก็ต้องภาวนาแต่ถ้าเราภาวนาโดยที่ไม่มีทานไม่มีสีนี่มันจะยากกว่าคนที่ภาวนาที่มีมีทานมีสีอยู่แล้ว แร้วเวลาถ้าคนไม่มีทานไม่มีสีนี่เวลานั่งภาวนาไปเดี๋ยวคิดถึงเงินคิดถึงทองขึ้นมาก็ห่วงอ่ะเอ้ยตกใจเอ้ยลืมของไว้ตรงไหนนี่นั่งภาวนาไม่ได้ลนะ่ะกลัวของหายอะไรอย่างนงี้ยต้องไปดูแลแต่คนที่เคยทำทานมาแล้วพอคิดถึงแล้วนั่นก็ช่างหัวมนะันเนี่ยใครเอาไปได้ก็ถือว่าเป็นการทํายุงทําทานไปแต่มันก็ตัดได้หรืวนั่งไปแล้วยุงกัดเนี้ย ถ้าคนไม่มีศีลมันก็ตกผัวมันก็เสียสมาธิแหละยังไม่ตกแต่เราต <c oughs> ้องัดแล้วม่งคันเราไงการแว่น <c oughs> ก็ปล่อยมันไปไง <c oughs> ป่อยคนที่มีคนที่มีศีลก็ยอมเจ็บยอมทนได้ <c oughs> ก็นั่งตอบไปได้ไม่ต้องมางกังวลกับเรื่องยุงกัดเมื่อไรต่างมันต่างกันที่เพงแต่พูดเตี๊ยบเตี๊ยบไม่ต่งกันคนที่มีทานมันก็จะทําให้รักษาศีล ง, ง่าย คนที่มีศีลมันก็จะทำให้ภาวนางาน่ายคนที่มีภาวนาคือมีสมาธิก็จะทำให้สจริญปัญญาง่จะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสจะรู้ว่าอะไรไม่ใช่กิเลสเพราะการการใช้ปัญญาก็คือการแยกแยะสิ่งที่เป็นกิเลสออกจากสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสเพราะในใจเรามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็กำจัดมันออกไปทิงให้แต่สิ่งที่ดีไว้ ที่แต่งลูกที่ที่ปกมาเขาให้ลูกมาขอนุญาตถ่ายรูปทุติท่าจันเดตรงหน้าปกมาแหมักษณะสาราราดีมะสาราดลูกเขาบอกม่าสาราใาเลเดี๋ยวไปถ่ายที่สาราแล้แล้วเขาแล้วเขากา้าถ่ายท่านจานเดย์เสือเพราะลูกนรือเขา ไต้หร อ, อเขาไม่ได้ขอเราเาไม่ได้ขอใหะอีรูปรูปเรายังไม่ต้องอะ <c oughs> แต่วมจริงรูปสารานี่เราก็มีอยู่ในเว็บไซต์นะ เ, เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้คุณสูมเมศร้า้คุณสูมเมศร์ก็เปิดดูถ้าชอบรูปทั้งก็สามารถที่จะแต่จะไปจะไปถ่ายทั้งนี้ก็ไปถ่ายได้เขาจะเตรียพิมพ์แล้วหรอคืรูปอ่ะ เขาบอกเขาจะพิหนสือไรต้องไม่มาเตรียมทำหน้าปกแล้วันไม่ได้คีใ น, นอิฐแล้วเขาจะพิมไ์อะไรก็ได้ิมที่นในที่สุดนะเพราะว่ารอมาเดียนหน้ากระชาเชียนไปก็ไปเวลาไปไปภาวนากันบ้างก็ไป ก็ไปพักอยู่่ะไม่ได้พักส่วนใหญ่ก็ตานตาท่านตัโครงตันเงื่อนเทศกนตั้งแต่โยคะภาวนาไปด้วยส่วนใหญ่จะเอาแค่ทานสีสางเทศสามธรรมมีอยู่กระดับล่างๆอยู่แ้วยังไม่ยังไม่เข้าสู่สนามภาวนาคือคือไม่ได้อันนี้มันต้องเป็นบุญเก่าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็บุญเก่าบุญใหม่เนี่ยสะสมลงไปถ้าเรา ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะมันก็จะภาวนาได้ <Yeah. S 1> แต่ก็ต้องพยายามทำไปด้วยอย่างน้อยวันนึงคนควรจะมีโอกาสได้ทำทั้งสองครั้งก็ได้ค่ะดินเช้าทั้งเย็นคั้ง <Yeah. S 1> ถ้าไม่ทำเลยมันก็จะยากถ้าเราทำไปเรื่อย ๆ, ๆมันก็กถ้าว่าเราลอาฝึกไปก่อน แจะไปหวังว่าให้ถึงเวลารับแล้วทําแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนนี้มันไม่มีทางมันต้องค่อยๆเริ่มไปเห็นกันเด็กเนะี่ยอยู่ๆจะให้มันเดินยืนขึ้นไปแล้ววิ่งเลยมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องหัดขานไปก่อนการหัดยืนขานเดินไปก่อนแล้วถึงจะ ว, วิ่งได้การภาวนานก็ต้องน้มนุกมขบขานไปก่อนอย่างน้อยกคือตื่นขึ้นมาเช้านี่เงาสักครึ่งชั่วโมง ก่อนจะนอนก็สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าทํานี้ไปถ้าต่อไปมันจะมีมันจะเริ่มมีเป็นนิจัยขึ้นวะถ้าไม่ทําะไรแล้วอยู่ๆจะให้มันทํามันไม่ทำเหรอเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราก่อนที่เราจะพอนะเราก็อ่านหนังสืออยู่เยอะอ่านอยู่หลายเดือนด้วยกันจนถ้าอ่านเรื่องภาวนาเนี่ยนะอ่านเรื่องปัญญาอ่านเรื่องสติเรื่องอไร แต่วันหนึงมันถามตัวเองไม่ยังไม่เคยนั่งข อ, อนามีแต่อ่านก็เลยเอามันตรงนั้นเลยอพอไดอ้การอ่านหนังสือการฟังเทศฟนะังธรรมแล้วเหมือนมันก็พาเราไปสู่ตรงจุดนั้นนะ่ะ ม, มันต้องพาเราไปสู่การภาวนาในที่สุดเห ม, มกับเตรมกับข้าวไว้ก็เพื่อพาไปสู่การกินหนึ่ะถ้าไปตลาดไปซื้อกับข้อมกับข้าวมามาหุงหามาจัดมาทํามาตั้งไว้บนโต๊ะ แล้วก็จุดทูบเทีนไหว้แล้วไม่กินนี่เหมือนก็เสียท่าเปล่าใช่ไหมมันต้องกินมันถึงเวลาแล้วมันต้องกินภาวนาที่ก็เป็นเหมือนการกินธรรมะใ น, นนี้ครับตอนกลางคือถึง แ, แม้กระทั่งหลับก็จะเปิดยุของตาวไวน้นะคทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยถึงเขหลับไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการอบรมจิตเราได้ไ่มคะมันได้มันจะมันมันฟังได้สองแบบฟังแบบลิ้นกับ นินกับแกงหรือฟังฟังแบบทัพทีกับหม้อกแกง <c oughs> ปล่อยไปทั้งวันแต่ใจมันไม่ได้ซึมซาบกับสิ่งที่มันเปิดเลยมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเปิดเพียงไม่้งเพียงแค่วินาทีเดียงแล้วเข้าใจความหมายเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางได้อ่านี้จะมีคุณค่ากว่าเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาที่เราเปิดฟังมันมันอยู่ที่ว่าเวลาเปิดฟังแล้วเราฟังจริงๆก็จะ เราจดจ่อเราฟังเราได้เข้าใจความหมายนะ้รือเปล่าทำไแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเราต้องเปิดแบบเป็นแบกกลาวเปิดเพลงกับเปิดธรรมะก็เปิดธรรมะยังดีกว่าเปิดเพลงอย่างน้อยถ้าเกิดมีมีสติช่วงไหนก็ฟังตอนนั้นแล้วเกิดสะดุดใจขึ้นมาก็อาจจะได้เกียรติธรรมแต่ถ้าเปิดเพลงมันก็จะไม่มีธรรมะอยู่เลยมันก็จะไม่ได้ของเร แล้วหลวงตาท่านเป็นเรื่องปฏิสัธรรมดาแต่อย่างนี้เราสติคือเราต้องระลึกอยู่ว่าเราทําอะไรอยู่ใช่สติก็ให้ไม่รู้ให้ให้รู้อยู่กับตัวทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังรับประทานก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานกําลังดื่มน้ําก็ให้อยู่กับการดื่มน้ําไม่ใช่ดื่มน้ําไปก็คิดถึงเรื่องโน้เรื่องนี้นนไป เ, เนี่ยกําลังสั่งทาอยู่แต่กาลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายท่าไหนดีตรงไหนดี อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่การฟังให้มันอยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่นี่เราอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของของกายวาจาใจแต่จะเท่ากันไหมคะถ้าเราใช้พูดโธให้ติดกระจยกับเราฟังเรื่องด้วยแต่ว่าเราพุโทโธไปไได้วยด้ก็อยู่ที่เราอะอยู่ที่เราที่ว่ามันฟังเรื่องรือเป่าแต่สาหรับเราเราคิดว่ามันจะสับสนไปหน่อยถ้า ฟังร้อยทั้งร้อยมันจะดีกว่าฟังแล้วก็พูดโทรไปด้วยแล้วอย่างไรครับรถนี้ใครบอกเบรคขับอยู่หรือว่าเราพูดโทรไปเรื่อยไงยคือไม่ต้องบอกว่าเบรคขับหรือว่าเราขับหรือว่าต้องเบรคหรือว่าต้องเหยียบน้ำมันหรือวต้อ ง, ต, องต้องทําอะไรมไม่ใช่ว่าเราขับไม่ไปเราคุยกันไปสนุกสนานอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับงานที่เราทําอยู่คือพยายามทําอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่าไปทำไํำหลายๆอย่างพร้อมๆกัน ยกเว้นในกรณีที่มันจําเป็นก็ต้องทําเช่นขับรถมันจะ ก, ก็ไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยอย่างเดียวก็อยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่เบรกอยู่ที่อะไรพร้อมกันหมดก็ต้องให้มันอยู่ใ น, ในกับเชิง น, นั้นๆกับเหตุการณ์นั้นนัที่รู้อยู่ขับไม่ต้องดีเทลขนาดว่าคล้ายกำลัง อ, อะไรนี้ไม่ต้องขนาดต้องไปทุกครั้งต้องไปเพ่งทุกครั้งไม่จําเป็นใช่ไม่เข้าจ ใ, <น S 2> ใจ่ะคนบอกว่าต้องอยู่ตลอดเวลา<ๆ>ก็ก็ไม่ไม่จําเป็นหรอก คือให้มันอยู่กับกับเนื้อหาเหตุการณ์นั้นแหละรายละเอียดของการปฏิบัตินี้ของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะแต่เราคนบางคนก็อาจจะต้องการให้มันบดก็รูรร้หมุนพวงอะไรก็รู้ก็ได้ศรัทธามันในลักษณะแบบกลายเป็นขุนยนไปคือหมายถึงว่าทําเป็ น, เ, ปนเกล็ดกะก ะ, กะไปมันต้องเป็นธรรมชาติ จิตเราสามารถรู้ทันการเคลื่อนไหวของกายได้เหมือนคนที่เดินยองกอมหัดเดินเหมือนกับคนหัดเดินนี้มันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติยกก้าววางยกก้าววางเหมือนกับคนหัดเดินเวลามันไม่ต้องช้าขนาดนะั้นก็เดินตามธรรมดาก็ได้แล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าเราจะได้คือไม่ให้จิตเราสงร่งจิตไปเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนู้ น, นเรื่องนี้เท่านั้นให้อยู่กับ อยู่อยู่กับตัวเราเป็นหลักนี่คือเป้าหมายของสติเราเมื่อเรามีสติแล้วเวลาเราจะให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะได้ไม่ไปสู่เรื่องอื่นถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่นานเดี๋ยวมันก็รวมลงลนี่คือเป้าหมายหลักคือทําเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิจิตไม่รวมถ้าไม่มีสติถึงต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เมื่อมีสติแล้วพอไปนั่งทำภาวนานั่งทําสมาธิมันก็จะรว ม, มลงน่ายคนที่ต้องรวมลวงง่ายก็แสดงว่าเขามีสติอยู่แล้วสติของพวกเราเนี่ยมีไม่เท่ากันเชื่อไห ม, มคนที่มีสติน้อยก็พวกที่เสียสติ<ม>พวที่ไปอยู่โรงพยาบาลคนนั้นเขาก็คนที่เรียนหนังสือได้ระดับหนึน่ง<ม>ก็มีสติอยู่ระดับหนึน่งคนที่เรียนระดับสูงขึ้นไปเช่นระดับปัญญา โเอนี่เขาต้องมีสติมากเขาถึง mm hmm. จะสามารถดูอ่านหนังสือได้เป็นระยะเวลายาวนานเป็นหลายหลายปีนี่เองคนที่ไม่มีสตินี่บางทีจบมสา mm hmm. ก็เรียนไม่ไหวแล้ะสติงแต่ละคนนี่พัฒนามาไม่เท่าเทียมกันถ้าพัฒนามากก็จะสามารถที่จะมีปัญญามากมีสมาธิมากเรื่อย ตามกำลังของสติยันไม่ว่าจะภาวนาเพื่อปัญญาหรือเพื่อสมาธิมันก็ต้องมีสติเป็นตัวตัวนำพาไปเพราะว่าเราจะทําสมาธิเราก็ต้องมีสติครบุ้บโนถ้าเราจะต้องการปัญญาเราก็ต้องมีสติอยู่กับใตรักความคิดแต่เรื่องใจรักอย่างเดียวเห็นอะไรก็ต้องเห็นว่เป็นอนิจจังหนึ่งเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นทุกข์ไปหมดไม่อยากได้ถ้าอยากจะได้ความทุกข์มา ใครจะให้เงินมาแสนหนึ่งก็ไม่อยากจะได้เอมาแล้วก็เป็นความทุกข์ต้องมาดูแลรักษาเหมือนต้องมาใช้เหมือนไม่มีมันแล้วก็อยู่ได้ถ้าเป็นพรนะเนียถ้าเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ละเรื่องของควา ม, ม, ม, มวจําเป็นพระพุทธเจ้าเป็นห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทอง <c oughs> วันหลังเราตระหนูว่าถ้าจะถวายก็ให้ให้ฝาบไว้กั บ, บระยะวัชกร ถ้าต้องการอะไรก็สั่งเขาไปอยากไปทําแล้วก็สั่งเขาอยาไป ท, ป ท, ทําบุญทํำทานม้นก็สั่งเขาไปทําแต่ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติของตนเองเพราะไม่จําเป็นมีแล้วไม่จะมีแต่ความทุกข์ตามมามีเงินเท่านี้ไม่ดีก็ถูกโจอนผู้ไร้มามาป้านมาฆ่าแต่ก็ยอยากจะมีกันนะ พอมีแล้วดนขี้ดนต้นก็ล้อห่มล้อให้เสียใจเพราะเราไม่หัดอยู่แบบไม่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราชอบอยู่ส บ, บชัช้เงินใช้ทองเนี่ยหามาแล้วก็ต้อง อ, อมาให้คนอื่นดีๆอย่าไปมีมันเมื่อไม่ไม่มีก็ไม่ต้องทําทางไม่ต้องทําบุญหมดพระเป็นพระแล้วก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำํทำบุญทําทางต่อไปจะเป็นผู้หญิงไหมเป็นพระผู้ใหญ่ก็ต้อง ก็ต้องมีไว้บ้างแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่ามีแบบจนกระทั่งมันเกินเหตุเกินผลมีไว้เพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของเราเช่เราอยากจะมีเงนไว้สักก้อนเวืเราจะได้ปฏิบัติทําได้เราไม่ต้องทํางานก็ต้องตอนนี้ก็ต้องสะสมเงนินก้อนนั้นนี่ก็ไม่ได้แล้วเราก็ออกจากงานเปลี่ยนจากงานจากทางโลกมาเป็นงานทางธรรมแล้วเขาวนาแทน แเราใช้เงินตอนนั้นมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าค่าข้าค่าอาหารแต่อยาวไปใช้จ่ายตามกําลังความอยากของกิเลสเดี๋ยวมันจะไม่พอไม่ต้องตัดเงินแล้วเรื่องกิเลส้าจะปฏิบัติทำไม่ไม่เอาเงินนี้ไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นู่นเที่นี่แล้วอยู่ที่วัดอย่างเดียวอาวนาอย่างเดียวทํากิจในวัด อย่างนีน้ก็จะเจริญในธรรขึ้นไปเรื่อยๆคือคุนนี้อาจจะอยู่ไกลเกินเอื้อมสายก็ไม่รู้ก็คิดให้รู้ว่าเป้าหวานมันจะเป็นยังไงถ้าอยากจะเจริญเก้าหน้าก็ต้องไปทางนี้ถ้ายังไปไม่ได้ก็รักษาสิ้นไม่ก็แล้วกันนะอยาเป็นสิบสินห้า แล้วก็มีเงินทองหรือใช้ก็ไปทําบุญจะทําทบุญในลักษณะไหนก็ได้ทํากับพระก็ได้ทำกับเด็กกำาร้าก็ได้ทำกับขอทานก็ได้ทำกับพอบ่อกับแม่ก็ได้ทำกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้แล้วแต่ตามจําเป็นแล้วแต่ตอนนี้คือไม่ขึ้นเกดอยู่กับนื้น า, นานบุญเหะก็อย่างที่บอกถ้าทำในเนื้อนาบุญมันกไ็ได้บุญเยอะกว่า เนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยเราถึงไม่ชอบไปทำกันเนื้อนาบุญกันแ ล, ก<อ>แล้วก็มาบ่นมว่าเราไม่ <c oughs> ไม่มีมนูลนิธิไว้คอยดูแลคนยอยากคนจนคนส่วนนี่<จ>นเร <จน S 1> าเห็นแค่ตัวอยากไม่บุญเยอะไม่อยากได้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปทํากันเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญท่านก็ไปทําแทนเราใช่ไหมท่านเจไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไว้หรอกท่านเจ้าไปส่งข้าวแล้วข้าว ในงานไม่มีใครถามวันนี้อ่าเห็นดรเจนนี่บอกว่าท่านอาจารย์สามารถช่วยที่แนะจากจากญาณได้เจ้าค่ะคือเขาต้องไปทํามาหาินอินโดนะคะแล้วก็ต้องไปทุกเดือนทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะไปต่อไปเรื่อยๆไหมเจ้าค่ะก็จะเจอไปแล้วมันจะได้ตลาดไหมเจ้าค่ะคือจะเรม นี่ไม่ใช่ปัญหาธรรมะแต่มันก็ลิง k i n g ธรรมะได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยเราก็ยังสามารถมาไหวแต่โลกโลกนี้มันโลกไม่เที่ยงงอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะดีไปเรื่อยๆก็ได้หรือมันอาจจะอยู่คงที่ก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมลงก็ได้ต้องพิจารณาแบบนี้เห็นจะเป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณาว่าจะต้องเจริญไปอย่างเดียวเนี่ยเรื่องเป็น กิเลสละเป็นความโลภละเพราะความจริงมันไม่แน่นอนสมอไปเหการในโลกเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการตื่นแสงทั้งไปในทางที่ดีก็มีทางไปในทางที่เรืร้ายก็ดีหรือเป็นในทางที่เฉยๆไม่เรือร้ายไม่ไม่ดีก็อยูี่คือปัญญาเราต้องยอมต้องต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วเราต้องทําเผื่อไว้ไงแล้ว ก, แวก็แล้วก็หวังว่ามันจะเจริญแต่ถ้ามันไม่เจริญก็ อย่างน้อยก็อย่าให้มันเสื่อมก็แล้วกันก็ยังดีแต่ถ้าเสื่อมก็ขอให้มันเสื่อมน้อยก็แล้วกันหรือถ้ามันจะเสื่อมจริงๆก็ต้องยอมรับว่าอมันก็อ น, นัตตาเราก็ไปบังคับมันไม่ได้เราก็อยากไปหวังไปพึ่งอะไรจากมันมากจนเกินไปพยายามใช้น้อยๆแล้วเราจะไม่มีความเดือดร้อนกับการแสวงหามากนักถ้าใช่มากก็ต้องเดือดร้อนมากเหมืการ ที่จะต้องคานึ่งคานตแต่ว่าคนเราในเวลาที่เกิดมาก็เกิดมาไม่เท่ากันมีความคิดความอะไรไม่เท่ากันก็เพราะว่าจากบุญจากการกระทำผลหลังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่หลวงตาท่านบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ท่านมองเหมือนเท่าที่ไม่ทราบรูกข้อใจตีผิดหรือเปล่าเนีเจ้าคะที่เหมือนแบว่ามองปั๊บท่านสามารถรู้ได้หรือว่าคนนี้มายังไงอย่างไงอย่างไางไและจะไปยังไงต่อใช่ไหมเจ้าคะ ท่านมีญาณท่านมีปัญญา mm hmm. ท่านมีประสบะการณ์ท่านเห็นคนแบบนี้ลักษณะนี้รู้แล้วว่ามันจะต้องไปงว mm hmm. พวกเราก็พอจะรู้เราเห็นคนขอทานมาแล้วก็รู้ว่าไอ้นี่ขอทานใช่ไหมเราก็มีปัญญาระดับหนึ่งล้วก็รู้ว่าขอทานมันอนาคตมันก็คงจะไปไม่ทึ้งไหนหรอก mm hmm. แล้วก็มีเหมือนกันคือแต่เรามีมากมานกีน้อยต่างกัน พระครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเยอะท่านมีปัญญาเยอะท่านก็จะรู้เยอะอย่างพระพุทธเจ้าเองรู้รู้ไกายรู้เส้เรื่องของศาสนาว่าจะอยู่ได้นานสักกีปีก็เห็นเนไหก็เห็นด้วยสองตาด้วก็เห็นตามฐานะของเราทุกคนก็มีความสามารถที่จะมองเห็นได้ <Yeah. S 2> ใจยะยาเห็นไกลเลยเห็นใกลก้กันทังคนที่มีสายตาไกลสกมองก ไ, ไกลทั้ง <Yeah. S 2> คนที่มีสายตาใกล้สมองใกล้ <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านปัญญาส่วนหลักการทำบุญให้ทางรักษาสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับปัญญานะอืย mm hmm. ปัญญามันจะต้องเกิดจากการศึกษาจากการได้ยินเกิดจากการวิเคราะห์และเกิดจากการภาวนา มันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาการได้ยินได้ฟังก็เกิดปัญญาระดับหนึ่งวันนี้เรามาฟังนี่เราก็ได้ได้ความรู้ไปในระดับหนึ่ง<ม>ถ้าเราเอาไปเอาไปพัฒนาต่อเอาไปคิดต่อพิจารณามันก็จะขยายตัวขึ้นไปแล้วถ้าเอาไ ป, ปใช้ในการปฏิบัติมันก็จะยิ่งเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปให ญ, ญ่ ปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์นี่มันเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาทางคิดมันยังเป็นทฤษฎีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเราคิดว่าเราจะไปลงทุนที่เอินโดนี่ซียหน้าจะต้องได้เพิ่มอยู่20เปอร์เซ็นต์อะไ ด, ได้แต่ยังไม่รู้มันจะได้ไหมก็ต้องอาไปปฏิบัติเดียวเราปฏิบัติแล้วได้แล้วเราก็รู้ว่าออกทําอย่างนี้แบบนี้เราจะต้องได้นั่นก็เป็นความรู้ที่เหมือน มันชัดเจนกว่าเลปัญญามันก็มีหลายหลายแบบหลายระดับด้วยกันซึ่งตอนก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาก่อนหรือ<ม>คิดเองคิดอ่านเองนี่ว่ า, าทำโครงการนี้ดีไหมไปทำดาวเทียมดีไหมต่อไปจะได้สักเท่าไหร่คิดว่าดีก็ไปทำล้วเนี่ยก็ได้มาขายหุ้นจนได้ได้อยะ <c oughs> พอมีประสบะการณ์แล้วทีนี้ก็ก็จะได้รู้ว่าเออต่อไปจะทําอะไรทําแบบไหนยังไงก็จะมีความมั่นใจแต่ถ้าไม่มีประสบะการณ์เลยทําก็ยังจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการประสบประสบการณ์นี่ยมันจะเป็นปัญญาที่ที่ทําให้เรามีความแน่วแน่มีความมั่นใจมันจะรู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสลู สามารถดับสิเลตได้หมดแล้วก็มีความมั่นใจในการสั่งสอนวิธีดับสิเลสให้กับผู้อื่นสอยกี่ครั้งก็ไม่ผิดพลาดเพราะไม่ได้เป็นสอนมาจากความจําถ้าเราไปจําอะไรมาเร่อยๆบางที่เราสอนผิ ด, ผดถูกๆได้ทําผิดจําถูกไ ด, ด, กได้แต่ถ้าเคยเคยมีประสบการณ์แล้วมันจะไม่มไม่ผิดพ้าดเหมือ น, นกับเคยเดินทางมาที่นี่แล้วจะบอกใครกี่ร้อยครั้งก็จะบอกก็ถูก ถ้าถ้ามาด้วยสตินะถ้ามาแบบไม่มีสตินั่งหลับมาในรถนี้ก็ก็เหมือนกับไม่ได้มาเองก็ไม่มีประสบ ก, การณ์อย่างนี้จะบอกใครก็ยังบอกผิดผิดทุกทุกอย่แต่ถ้าเรามาเองขับรถมาเองหาทางมาเองเรารู้จักทางแล้วทีนี้จะบอกใครกี่ครั้งมันก็จะแบรกได้ไม่ผิดพาดเอาแนะ่วันนี้่ ัจให้พอเียวต้องถวายของอด่ของออย่างถยอย่างถอย่มคะ่ถยทุกชิ้นเอใหมะใไรอย่างน้นี้ว้ต้องฉันใครใน้อไรนีุกรันวนนัวันววันวนวันันวันันวันนวววันันนนนนนวัน อันนี้เป็นอะไรตัวคาท่านอาจารย์คุณบสิทธิ์ยาจะถวายก็ได้ยาวางไว้ก็ได้ตามใจวไว้ก็ด้ยบบนท่านจะรู้ทันไหนถวายอะไนี้ผมได้เนื้ปัจจัยเนี่ยเน็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่อใส่ช้องต้องช้อนหรื้อนบ้างเดี๋ยวลองช้อมือมีมันอันนี้เขาไม่ต้องถวายเป็นยาหรือเป็นอาหารเป็นลูกฟิกค่ะ เอาางไว้แล้วเไหนวเเวลกขาิ่มเยอค่ะูปิ๊กคืออะไรอ่ะไันดื้อไม่ตดกอแ่นะมันอือแค่นเราชอบไม่ต้อิดเลอบ